ใครจะส่งกันบ้านเชิญว่าไงอยากถามเกี่ยวกับอินทรีย์5ค่ะคืออ่านเจอในหนังสือเขาบอกว่าถ้าเกิดสมาธิเกินกว่าวิริยะเนี่ยจะทําให้ง่วงคราวนี้เนี่ยเราจะรับมือกับความง่วงยังไงอะคะเราต้องพอมีริยะสิก็คือไม่ใช่ลดสมาธิคือไม่ใช่เอาแต่นั่งอย่างนั้นออใช่ไหมคะเคลื่อนหไหวไว้กระดุกระดิกไว้ แ ล, และความง่วงตัวนี้มันแตกต่างจากความง่วงธรรมดาที่เรารู้จักหรือ่ะใช่มันจะซึมเซาที่เกียรติที่คลานหมดความภาคเพียรอย่างเวลาทำสมาธิคนที่ติดสมาธินะจะให้ออกมารู้กายรู้ใจเนี่ยไม่ทำคาว่าวิริยะคือเพียรแผดเผากิเลสปิดกั้นกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดทำลายกิเลสเก่าทำกุศลให้เกิด กุศลที่เกิดแล้วทำให้เจริญนี่ถึงจะเรียกวิริยะนี่พอมีสมาธิเนี่ยมันจะขี้เกียจเจริญสติมันจะไม่ยอมรู้กายไม่ยอมรู้ใจเรียกว่าไม่ได้ทำความเพียรพอไม่รู้กายไม่รู้ใจอกุศลก็เกิดอกุศลคือโมหะจะเกิดเกิดความหลงผิดมากขึ้นมากขึ้นนะว่ากายกับใจเป็นตัวเรายึดถือมากขึ้นมากขึ้น เพราะนธรรมะในภาคปฏิบัติเนี่ยไม่เไม่เกิดเรื่องกายกับใจวิริยะก็คือการที่มีสตินั่นเองเมื่อไรมีสติอกุศลก็ถูกละอกุศลใหม่ไม่เกิดเมื่อไร่มีสติกุศลก็เกิดที่เกิดแล้วก็ยิ่งงอกงามไพ่บูรณขึ้นเรื่อยๆพอทำสมาธิแล้วมันจะขี้เกียจเจริญสติเพราอฉนอย่างพระป่าทำสมถะมากๆติดสมาธิ ครูบาจารย์จะไล่ให้ออกมาพิจารณาร่างกายนะให้คิดนั่นแหละให้จิตใจออกมาทํางานเคลื่อนไหวนี่พวกเราจะงงๆอย่างว่าทําไมมันมีเรื่องความสมดุลของมันศรัทธาก็ต้อง ส, สมดุลกับปัญญาศรัทธามากก็โง่ปัญญามากไม่มีศรัทธาเลยนะเป็นปัญญาอวดดีอวดเก่ง ปัญญาล้างผลาญตัวเองมันไม่เก่งจริงหรอกปัญญาของพวกเรานะปัญญาพวกเราพูดตรงๆนะปัญญากระจอกง่ อ, งงอยปัญญาสนองกิเลสมันไม่ใช่ปัญญาข้ามภพข้ามชาติอย่างที่พระพุทธเจ้าค้นพบเนี่ยใส่การเจริญสติอีกนั่นแหละรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปจนเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเรียกว่าปัญญาไม่ใช่ปัญญาเรื่องอื่นนะเราทำเป็นว่าปัญญามาก ศรัทธาน้อยบางคนประกาศวาทะนะไม่นับถือหรอกพระพุทธเจ้านับถือแต่ฟิสิกส์ <c oughs> พุทธังสารนังขจามิไม่เอาต้องฟิสิกส์ังสารนังขจามนะิตุติอัมปีฟิสิกสังสารนังขจามนะิมีพระเจ้าองคเดียวคือฟิสิกส์เนี่ยปัญญาแบบนี้ปัญญาล้างผลาญมันหาความสุขหาความสงบไม่ได้จริงในชีวิต ลืมไปว่ามนุษย์เกิดมาเนี่ยนะเพื่ออะไรมนุษย์เกิดมาเนี่ยนะเพื่อพัฒนาชีวิตจิตใจตัวเองให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเรื่อยๆทายัางไงจะสามารถอยู่ในโลกอย่างมีความสุขทําประโยชน์ของตัวเองทําประโยชน์ของคนอื่นได้เนี่ยเป็นอุดมคติของความเป็นมนุษย์ที่แท้จะต้องทําประโยชน์ของตัวเองทําประโยชน์ของคนอื่นให้ได้มัวแต่ฟิสิกส์ทางสาระหนักนะมันก็ไปทําระเบิดนิวเคลียร์ได้ไมันก็ไปล้างผลาญได้ งั้นปัญญาพอขาดศรัท ธ, ธาเสร็แล้วก็แย่เลยมีศรัท ธ, ธาไม่มีปัญญาก็โง่สุดๆเลยอย่างตอนเนี้ยเคยมีพระรัตนตรัยเป็นสารณะดีนี้หันไปนับถือเทวดากันเทวดาที่เพิ่งปั้นขึ้นใหม่ๆด้วยหนะาเงินหาทองคมือ น, นครแต่ก่อนฉลาดนะเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีหลักเมืองนี่เป็นเมืองที่แปลก เมืองนครศรีธรรมราชนะันถือเอาพระาธาตุนครเป็นหลักเมืองเห็นหเป็นหัวใจศูนย์รวมก็คือจิตใจแบบชาวพุทธนั่นเองวันดีคืนดีก็เผาดวงเมืองนตั้งหลักเมืองขึ้นมาขนานกับพระาธาตุภูมิปัญญาเห็นภูมิปัญญาเสร็จแล้วก็เลยทำอะไรขายกันรุ่งเรืองใหญ่ <c oughs> ดูไปดูมาเหมือนพระนารายมากขึ้นทุกทีแล้วนะ ขี่พญายนาคมีสีมืออะไรไปกันใหญนะ่คือจิตใจซึ่งมันเข้าไม่ถึงธรรมะเนี่ยมันอ่อนแอมันพร้อมจะหาอะไรก็ได้ที่มาช่วยเรานะส่วนจิตใจของชาวพุทธเนี่ยมันจิตใจที่ห้าวหาญเข้มแข็งช่วยตัวเองนะไม่งอมืองอเท้านะช่วยตัวเองช่วยตัวเองดูในหลักของศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าบอก อย่างเกิดมายากจนไม่ใช่ไปขอให้เทวดาช่วยให้หายจนนั่นโง่นะถอยหลังไปหลายพันปีเลยนะเกิดมาจนแล้วก็หาอะไรมาห้อยแล้วให้เฮงให้รวยโอไม่เฮงรวยอะไรนะมันเฮงสวยนะ <c oughs> อย่างน้อยเสียงเงินไปเป็นแสนแสนะ้นไปซื้อมาทนะีอยากรวยเหรอพระพุทธเจ้าก็สอนไม่ใช่ไม่สอนใช่ไหมนะขยันทํามาหากิน อุทานะสัมปทาขยันหาทรัพย์อย่ามัวรีรองานสุจริตนะั้นมีเกียรติพออย่ารั้งรอเร่งอะไรนะเร่งทำกินอะไรองี้ได้มาแล้วต้องรู้จักอารักขาอารักษาสัมปทาได้สมบัติมาต้องรู้จักรักษาต้องรู้จักกัลยาณมิตรตาคบคนที่ดีคนที่แนะนําในสิ่งที่มีประโยชน์ตั้งแต่ประโยชน์ในการทำมาหากินจนกระทั่งประโยชน์ในการดำรงชีวิต คบคนที่ไม่ดีชักพาไปในทางเสียหายยังไงก็ไม่รวยนะแล้วอีกอันหนึ่งอะไรนะลืมไปแล้วอ่าสมาณตาต า, ตานะสเสมอต้นสเสมอปลายนะใช้ชีวิตพอเหมาะพอควรอ่นะแบบพอเหมาะพอควรนะไม่บริโภคอะไรที่มันเป็นส่วนเกินมากนะ ทุกวันนี้เราบริโภคส่วนเกินเนี่ยมหาศาลเลยอย่างเสื้อตัวหนึงร้อบาท200บาทก็มีใช่ไหมต้องใส่ตัวละหมื่นส0 0หมื่นเราบริโภคส่วนต่างตรงนี้นะความจริงไม่ได้บริโภคอะไรถูกเขาหลอกถูกเขาหลอกใส่แล้วมันโก้นะแต่มันภูมิใจไม่เหมือนคนอื่นเหนือเหนือคนอื่นรฤษีอยากเหนือคนอื่นนะคือเซอิ์ฟอัตราถ้าได้ใส่สินค้านี้มีสินค้านี้แล้วมันเหนือคนอื่น มันเซิฟอัตราทั้งหมดเลยเห็นไหมมันเอากิเลสมาหลอกเรานะให้เรายากจนมีเงินเท่าไหร่ก็ไปทุ่มไม่ให้พหมดเถ้าเราเป็นชาวพุทธเราดํารงชีวิตอย่างมีสติมีปัญญานะรู้จักหากินรู้จักดํารงตนรู้จักใช้ใจ่ายอะไรให้พอเหมาะพอควรไม่จนหรอกนี่คาถาแก้จนนะคาถาแก้จนเอาอะไรมาห้อยแล้วมันจะหายจนได้ยังไงเห็นไหม นักคอด้วยเดี๋ยวนี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผมก็เห็นนะอันใหญ่ๆ ห, หน่อยคงเหมือนกับจี้โบราณก็เห็นไหมจี G ้ใครเคยดูลิเกสมัยโบราณอันใหญ่ๆ ห, ห้อยอะไรเงี้ยงั้นจะมีศรัทธาแล้วไม่มีปัญญานะก็ตกเป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่อแต่ทั้งศรัทธาต่อพระนะเข้าวัดเขาหลอกให้สร้างโน่นสร้างนี่สร้างเข้าไปสร้างแล้วจะไม่ตกนรกถ้ามันตกนรกตั้งแต่ จ่ายเงินไปแล้วหมดเนื้อหมดตัวทาบุญบางคนนะขายบ้านไปบริจาคทาบุญกับบ้านสามีตเตะแล้วนะหมดแล้วบุญจิตใจสร้าหมองนะงั้นมีมีศรัทธาต้องมีปัญญามีปัญญาก็ต้องอาศัยศรัทธามีวิเรยะนะความเพียนมากไปจิตใจฟุ้งซ่านต้องทำความสงบเข้ามา มีความสงบมากไปจิตใจซึมเศร้าขี้เกียจขี้คลานไม่เดินปัญญานะจะมีอยู่ตัวหนึ่งสังเกตไมไม่มีคู่คือสติตัวอื่นนะมากไปน้อยไปไม่ดีสติยิ่งมากยิ่งดีหลวงพ่อใช้คาว่ามากหมายถึงสติยิ่งเกิดบ่อยยิ่งดีไม่ใช่สติกล้าแข่งแล้วยิ่งดีนะสติกล้าแข่งเป็นมิปัสโนสติกล้าแข่ ง, ปขงไปเร้าใจตัวเองให้แข่งหลวงพ่อทาหน้าให้ดูนะ มองน้ำหมายังหังจุกกลนเลยนะอย่างนี้ใช้ไม่ได้จิตใจกระด้างสติยิ่งเกิดไปยิ่งดีแล้วการที่เรามีสติรู้กายมีสติรู้ใจเนี่ยมันจะเพิ่มอินทรีย์ตัวอื่นขึ้นมาเพิ่มอัตโนมันแล้วเพิ่มได้อย่างสมบูรณ์ด้วยนะเพิ่มอย่างสมบูรณ์เลยพอเรามีสติรู้กายรู้ใจเนืองๆพอเราสติเกิดเรามีความสุขแล้ว มีสติไปสมาธิก็เกิดมีสติไปปัญญาก็เกิดพอสติสมาธิปัญญากเกิดเนี่ยเรียกว่าทำความเพียรอยู่จิตใจได้รับความสุขได้รับความสงบได้รับความรู้ความเข้าใจเป็นระยะระยะระย ะ, ระยะไปศรัทธาของเราจะยิ่งแน่นแฟนขึ้นศรัทธาของปุถุชนกลับกรอกอันนี้เป็นธรรมชาติเลยศรัทธาของปุถุชนยังกลับกรอกอยู่เป็นศรัทธาที่เคลื่อนไหวได้คลอนแคลนได้ แต่พระอริยะเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยศรัทธานแน่นแฟนในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีคลอนแคลนอีกต่อไปละเพราะอะไรเพราะมีปัญญามีสติจนมีปัญญาเนหะ็นความจริงเจริญสติแล้วจิตมีสติมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมานเรียกมีวิริยะอยู่ก็เจริญสติสมาธิปัญญาต่อเนื่องไปได้่อย จิตใจยิ่งเข้าถึงความสุขความสงบเข้าถึงความจริงมากขึ้นมากขึ้นจะยิ่งศรัทธามากขึ้นเรื่อยๆนะเบื้องต้นก็ยังเป็นศรัทธาที่ไม่แจ่มแจ้งแต่ศรัทธาแลพระโสดาบันเนี่ยศรัทธายอมเป็นยามตายเลยสละชีวิตถวายพระพุทธเจ้าได้ตลอดเวลาเลยรักครูบาจารย์มอบกายถวายชีวิตจริงๆเลยนะอย่างสมมติว่าครูบาจารย์จะเดินขึ้นอย่างนี้ขึ้นไม่ไหวสูงไปแก่แล้วนะ รอมจะเอาหัวไปรองให้ท่านเหยียบขึ้น <c oughs> จิตใจของผู้ปฏิบัติขนาดนั้นส่วนศรัทธาของอุทุชนนะครอนแคลนเชื่อไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะยังไม่เห็นจริงยังไม่เห็นจริงถึงความจริงว่ามันดีวิเศษยังไงการปฏิบัติธรรมนี้พระโสดาบันศรัทธาสุดชีวิตจิตใจนะแต่ความรู้ความเข้าใจนะียังไม่แจ้งนะ <c oughs> ขนาความรู้ความเข้าใจยังไม่แจ่มแจ้งก็ศรัทธาสุดชีวิตแล้วยังไม่แจ้งอริยสัจนั่นเองไม่แจ่มแจ้งในอริยสัจใจลึกๆมันจะรู้สึกตลอดเวลาเลยนี่มีอะไรที่ไม่รู้อยู่อีกมีอะไรยังบางอย่างที่ไม่รู้มีอะไรบางอย่างที่ยังต้องสแสวงหาอยู่ก็ต้องตามรู้กายรู้ใจเรื่อยไปนะ จนวันหนึ่งมันแจ้งอริยสัจขึ้นมาถึงรู้เลยสิ่งที่ไม่รู้คืออริยสัจนั่นเองจําไว้นะตรงนี้จําไว้ชาตินี้บางคนจะได้ใช้ชาตินี้บางคนยังไม่ได้ใช้ก็จําไว้ก่อนแล้วจเจริญสติไปนะชาติต่อๆไปบางทีภาวนาไปติดขัดถึงจุดนี้นะจะเห็นหลวงพ่อไปสอนได้นะสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนสะสมเปนนานนะนานมีพระบางองค์ภาวนา ติดขัดนะีครูบาอาจารย์ที่เคยสอนไว้มืตั้งแต่พศ300เนี่ยคําสอนนั้นกลับมาอีกนะสังสารวัตรเนี่ยมันน่ากลัวตรงที่มันปิดบังตัวเองได้มันปิดบังตัวเองได้เราลืมเราลืมทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่าพอเราภาวนาจนจิตของเราเปิดขึ้นมาแนละ้วมันไม่มีอะไรปิดบังขัดข้องจะเห็น ความน่ากลัวของสังสารวัฏอย่าพยองนะอย่าลำพองนะพวกเราตกนรกได้นะยังตกได้ทุกคนในห้องนี้นะที่หลวงพ่อดูอยู่เนีย่ยไม่ได้ลำเอียงนะดูจริงๆยังต่พร้อมจะตกนรกเมื่อไหร่ก็ได้นะเนีย่ยธระมาะธรรมะต้องศึกษาต้องเรียนต้องปฏิบัติคอยรู้ลงมารู้ในกายรู้ในใจเ น, ใจนี้ชาตินี้ถ้าอินทรีย์แก่กล้าพอแนละ้วก้าวกระโดดไป เก้ากระโดดได้มากได้ผลปลอดไทยพระโสดาบันเนี่ยนะมีอนันตริยกรรมฝ่ายดีที่เกิดโสดาปฏิมาคโสดาปฏิผลอนันตริยกรรมฝ่ายดีเนี่ยส่งผลเมื่อจะตายจะไม่ไปทุกขติแต่อากุศลทั้งหลายที่เราทําแม้แต่เล็กๆน้อยๆนะจะตามไปให้ผลได้เนะฉนั้นอย่าประมาทนะว่าเราทําชั่วไปก่อน เดี๋ยววันหนึ่งเราบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วกรรมชั่วตามเราไม่ทันไม่ใช่นะยังเข้าใจผิดกระทั่งพระพุทธเจ้ายัางไม่ได้รับยกเว้นเลยอย่างท่านอาธิบายหมดเลยว่าเพราะอะไรเพราะอะไรที่ท่านต้องเผชิญกับความทุกข์ในชีวิตของท่านทําไมถูกขดา่าทําไมท่านต้องไปบําเพ็ญทุกขกประริยาทั้งหปีทําไมท่านหิวน้ําแล้วท่านไม่ได้ดื่มน้ําำ ท่านมีเหตุมีผลทั้งหมดเลยเพราะงั้นกรรมชั่วที่เราทำนะถึงจะไม่ส่งผลให้เราไปเกิดเรียกว่ากรรมไม่ได้ให้ผลในประสูติการในขณะที่เกิดกรรมก็จะตามให้ผลในประวัติการประวัติการคือหลังเกิดเพราะงั้นอย่างเราย่ามใจเราบอกว่าเราทำชั่วเต็มที่เลยเดี๋ยวเราภาวนาแล้วเป็นพระโสดาปลอดภัยนะเกิดชาติต่ตอไปนะ ในทางธรรมะก็ยังเจริญไปได้นะแต่ว่าชีวิตน่าจะแสนสาหัสเลยพวกเราสังเกตไหมครูบาแต่จานแต่ละองค์เนี่ยนะท่านมีสมบัติไม่เหมือนกันหนะลวงปู่ดูลจนนะหลวงปู่ดูลเนี่ยปัญญาไม่มีใครเหมือนหนะลวงปู่ดูลเนี่ยเจริญปัญญามากเน้นตรงนี้มากหนะลวงปู่เทส ใครเคยทันท่านจะรู้เลยเครื่องใช้ไม้สอยของท่านนี่ยังกับพระราชาเลยจานของท่านนะั้นต้องจานคริสตันคนเอามาโอ้ยประพบปร ะ, ประงมงท่านกระทั่งโกดใส่อัฐีท่านโกดทองประดับเพชรประดับพลอยเนี่ยท่านสร้างของท่านมาอย่างนั้นแต่ระองค์ไม่เหมือนกันเจานมหาบัวเห็นไหมคนแวดล้อมมหาศานเนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์องค์ไหน ทีคนแวดล้อมมากเท่านั้นเลยนั่นก็สร้างของท่านมาทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายชั่วนะถ้าเราอยับประมาทการทําชั่วสักเล็กสักน้อยนะกรรมดีทําได้รีบทําไวมีผลแน่นอนถ้าเราความจําดีนะจะหนาว <c oughs> ลองย้อนลองไปย้อนลองไปได้นะจะหนาวจริงๆเลย สังสารวัตรนี้น่ากลัวเพราะมันปิดบังตัวเองได้นี่หลวงพ่อใช้คํานี้นะใช้คําที่ซื่อๆนี่แหละแต่ฟังยากนิดนึงมันน่ากลัวเพราะมันปิดบังตัวเองได้อย่าว่าแต่สังสารวัตยาวไกลเลยนะสมัยก่อนก็มีนิทานเล่ากันว่าผู้หญิงอะ่นะมีสามีชอบนะตอนออกลูกนะโวยวายมันเจ็บสมัยก่อนไม่ได้เผาออกนะโอ้ยเข็ดแล้วไม่มีอีกแล้วนะ บางทีด่าสามีไรจังไรมาทําให้เราเดือดร้อนนะสมัยก่อนคลอดลําบากกันอีกปีหนึ่งคลอดอีกแล้วนะด่าประโยคเดิมอีกนะทําไมอะ่ะมันลืมพอความทุกข์ผ่านไปความเผ็ดร้อนผ่านไปนะมันลืมเนี่ยเห็นไหมสังสารวัตรน่ากลัวอย่างนีนะ้เราพร้อมที่จะทําผิดซ้ําแล้วซ้ําอีกอะ่ะใจก็บอกว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเหมือนพวกเข้าคุกอะ่ะเข้าแล้วเข้าอีก ตอนเข้าภูมออกมาจะไม่ทําอีกแล้วนะออกมาไม่ทําอีกแล้วแป๊บเดียวมันเข้าอีกแล้วสางสรารวัตรน่ากลัวมันปิดบังตัวเองมันทําให้เราลืมเราลืมความทุกข์ลืมความเผ็ดร้อนลืมทุกข์ลืมโทษนะนรกผ่านมาแล้วทุกคนนะเดรฉานเป็นมาแล้วนะเป็นมาแล้วมีพระองค์หนึ่งภาวนาชาตินี้ภาวนาไปริ้วๆ เ, เลย เมื่อสองสามชาติก่อนยังเกิดเป็นวัวเลยพลาดพลังที่เกิดเป็นวัวกรจะเป็นวัวท่านเป็นพระเกิดเป็นพระในยุคซึ่งมีแต่ประเพณีเหลืออยู่เมื่อหาแท้แท้ของธรรมะไม่มีใช้ชีวิตหมดไปวันวันหนึ่งไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเลยปริยัติก็ไม่มีจะเรียนปฏิบัติก็ไม่เป็นเล่นอะไรเผลอเอเพลินเพลิลล น, ลนไปวันวันหนึ่งไม่ได้ทํำกรรมชั่วอะไรหรอก แต่ไม่ได้ทําคุณทําประโยชน์ให้สมกับเป็นพระอยู่กับพระน้องชายพระน้องชายทําอะไรก็ไม่เป็นเหมือนกันแต่ชอบแกะสละักแกะชอบฟ้าใบละกาแกงเข้าไปเรื่อยพี่ชายทาอะไรไม่เป็นนะช่วยเขาสักหน่อยหนึ่งก็ไม่ช่วยนะแด้แต่นั่งดูว่างๆก็ไปนั่งริมแม่น้ำชมนกชมไม้ช ม, ชมเรือ ตายไปไปเกิดเป็นบัวแต่ว่าไม่ได้ทํากรรมชั่วอะไรนะชาวบ้านก็เอาถวายวัดเข้ามากลับมาอยู่วัดเดิมกลับมาอยู่วัดที่บวชแล้วตกน้ําตายวัดนั้นมันน่ากลัวนะสังสารวัตครูบาอาจารย์อีกองหนึ่งเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านตั้งแต่เด็กๆนะใจท่านไม่ชอบทําบาปทํากรรมอะไรเพราท่านบวชแล้วเนี่ยท่านภาวนามาช่วงหนึ่งนะท่านเกิดกําลังใจห้าวหาญว่าชาตินี้ท่านต้องจบให้ได้ ถ้าท่านเกิดจำได้ว่าชาติก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ติดกันเนี้ยเลยไปอีกหน่อยเคยเป็นวัวเหมือนกั น, นไม่พวกที่เบียนบวชเนี่ยชอบมาเป็นบัวนะ <c oughs> ถ้าไม่ตกนรกนะชอบมาเป็นบัวเป็นไกวมันใช่นี่ครับของท่านเป็นวัวเจ้าของก็เลี้ยงไว้อย่างดีทำไร่ทำนาอะไรไปวันหนึ่งเจ้าของจะไปทุรากล่าวว่าจะไปทุระไปเดียวเดียว เอาหลักมาตอกไว้กลางท้องนากลางแก้งนั่นแหละจะให้กินหญ้าเชือกผูกคอไว้ให้กินหญ้าเสร็จแล้วเจ้าของมันติดพันธุระติดพันธนะุมันไม่กลับมาวัว น, นี้ถูกผูกไว้ตั้งแต่เช้ายังไม่ทันจะกินน้ําเลยนะกะว่าจะไป10นาทีอนะไรเงี้ยไปทั้งวันตากแดดอยู่ทั้งวันเลยบอกว่าได้รับความทุกข์ทรมานจากการกระหายน้ําอย่างรุนแรงหิวน้ํามากเลย พอเห็นคนเดินมานนะก็ดีใจหกหน้าหกหลังเห็นคนมาจะขอเขากินน้ำเขาก็ตกใจวัวบ้าวัวบ้ า, บามันดิ้นใหญ่แล้วก็หนีไปหมดเลยท่านบอกโอท่านเห็นไทยของสังสา ร, รวัตรแสนสาหัสเลยนะท่านจะไม่เกิดอีกแล้วท่านภาคเพียนท่านภาวนาของท่านสุดๆเลยท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังการภาวนางท่านวัดป่าปกติตีสาม ไปนั่งสมาธิรวมกันนะเช้าได้รุนใกล้จะได้รุ่นทำวัดได้รุ่นออกไปบินธบาตกับมาฉันเดินจงกรมนั่งสมาธิไปนะตกค่าทำวัดเย็นแล้วก็นั่งสมาธิต่อไปถึงสี่ทุ่มท่านบอกว่าท่านไปก่อนตีสามทุกวันเลยท่านรู้สึกว่าตื่นตีสามประมาทไปท่านไปก่อนตีสามอีก สี่ทุ่มเพื่อนเลิกหมดแล้วท่านก็ไม่เลิกอยู่ไปถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนเลไอย่างเงี้ยเนี่ยท่านบอกท่านฝึกฝนตัวเองด้วยวิธีนี้ท่านบอกท่านไม่ฉลาดท่านแลกมาด้วยกําลังสุดลิ์สุดเด็ดเลยแบบตายเป็นตายเลยนะนั่นเป็นพระที่ภาวนา ด, ดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่สุดอง์หนึ่งเหมือนกันองค์ที่เคยชี้ให้หลวงพ่อดูมหาสุญญตา <laughs> คำโมทเห็นไหมมหาสุญญตาในลูกกลงลูกกลงกุฏิท่านมหาสุญญตาในเห็นไหมเห็นมหาสุญญตาในพื้นนี้ไหมพื้นไม้ไม้นี่เห็นมหาสุญญตาในพื้นอิดข้างล่างไหมเห็นมหาสุญญตาข้างหน้านี้ไหมเนี่ยว่าแต่ถามแบบประหลาดๆนะแล้วก็ตอบตอตไปอ่ะพอละพอละจบละหมดหน้าที่ของท่านละ ้เราอย่าประมาทนะชาตินี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเราแล้วสร้างคุณงามความดีทุกอย่างต้องสร้างนะบารมีทั้งหลายต้องสร้างทั้งนั้นเลยไม่ใช่มีแต่ปัญญาบารมีนะจะลาบากศีล <c oughs> นะบารมีทานนะบารมีเนกามะบารมีทุกอย่างแล้วเราจะเอามาใช้ครั้งสุดท้ายเนี่ยตอนแตกหักตอนทําสงครามแตกหักครั้งสุดท้า ย, ยถ้าบารมีของเราไม่เต็มเราจะถอยเลย เราจะถอยจิตดําเนินไปถึงจุดที่จะเข้าสู่สงครามแตกหักครั้งสุดท้ายแล้วเหนะมือนเราเข้าสู่สมารถภูมิที่ไม่มีทางถอยแล้วถ้าเรายังนั่งอยู่ในอัศนะนี้ต่อไปนะไม่บ้าก็ตายมันจะรู้สึกอย่างนี้เลยถ้าลุกขึ้นก็อาจจะเอาตัวรอดนะแล้วจะมีความสุขที่สุดในโลกแล้วเพราะคนในโลกจะไม่มีความสุขเหมือนเราแล้วแต่เราจะต้องตกเป็นทาสของมารตลอดไป จะ ใ, ใส่บารมีสิบอย่างที่เราสร้างมานั่นเองมาสู้กับมาณห้าอย่างมารมีห้าตัวนะบารมีมีสิบตัวนะอในตำราเราชอบพูดเรื่องว่าเหลือพระพุทธเจ้าอยู่องเดียวใช่ไหมแล้วมารมาเป็นกองทัพเลยมามารมารเป็นกองทัพก็จริงนะแต่กองทัพมารอยู่ในห้าตัวนี้หละมีมารทั้งห้าตัวที่พระพุทธเจ้าบอกอยู่ลําพังนะทวดานีไป็นมน คือจิตที่เป็นพุทธะจิตที่สแสวงหาความเป็นพุทธะหรือโพธิจิตเนี่ยในขณะที่ระจญกามาลครั้งสุดท้ายเนี่ยจะโดดเดี่ยวเดียวได้สุดๆเลยหรือว่า ไ, ไม่มีที่พึ่งที่อาศัยใดๆอีกแล้วนี่พระพุทธเจ้าท่านก็นึกถึงโพธิปักขียธ์ทำทำที่ท่านท่านสร้างมา37ประการทำฝ่ายดีย่อลงมาก็คือบารมีสิบนั่นแหละท่านได้สิ่งเหล่านี้เป็นกําลังสู้กามาร มานมาไล่ให้ลูกจากอาสนะหลับลุกไปถ้าลุกไปแล้วไปเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิมีความสุขที่สุดเลยนะถ้านั่งต่อไปตายตายแน่ๆนะท่านตายก็ตายถ้าไม่ลุกนะอาศัยบารามีทั้งหมดนะั่นเองมาช่วยเราในนาทีสุดท้ายทานบารามีอย่างเราฝึกให้ทานเนี่ยทานสุดท้ายคือการสละชีวิตใช่ไหม ่านท่านเป็นพระเวสสันดรท่านตั้งใจเลยใครขออะไรท่านจะให้หมดเลยกระทั่งชีวิตนาทีสุดท้ายที่จะสู้กับมารเนี่ยความตายรออยู่ข้างหน้าละกล้าสละชีวิตที่จะไม่ถอยนะไม่ถอนจิตออกจากการปฏิบัติที่กำลังตลุมบอลอยู่เนคขมาบารมีก็มาช่วยนะมารบอกว่าถ้าถอยไปจะให้คลองสมบัติยิ่งใหญ่ของโลกที่มีความสุขที่สุดในโลกเลย สละล้ความสุขอย่างนี้ไม่เอาแนละ้วตายก็ตายนะจะเอาทำมีศีลมีอะไรทุกอย่างต้องพร้อมมีปัญญานะรู้เข้าใจความจริงของกายของใจเข้าใจมาเนี่ยมานย่ํายีได้แต่ขันนะมานย่ํายีเข้ามาไม่ถึงธรรมชาติรู้ที่บริสุทธิ์นีฟังฟังไว้นะชาตินี้อาจจะได้ใช้หรือไม่ก็ชาติต่อต่อไปนะ ไม่มีใครเขาสอนกันหรอกนะอ้าใครจะส่งกันบ้านเพื่อนหนูคิดนะคะคิดแล้วก็หลงหลงเข้าไปในความคิดแล้วก็รู้สึกว่ามีความเพลิดเพลินในความคิดทีนี้พอมีสติรู้ว่าคิดมาแวบหนึ่งแต่ว่ามันไม่ตัดมันยังไหลเข้าไปอีกเพราะว่ายังจิตมันยังเพลิดเพลิเคยชินก็ให้รู้ไปว่าไหลอีก รู้ลงปัจจุบันไปเท่าที่เขาเป็นไม่ต้องอยากให้เขาตัดนะความคิดของเราเนี่ยคืออาภิสังขารมานความเพลิดเพลินพอใจเรียกว่ากิเลสมานจิตที่ถูกความเพลิดเพลินพอใจถูกความคิดครอบงำเรียกว่าเทวบุตรมานนะและจิตนั้นได้รับความทุกข์ ลงไปในโลกของความคิดความนึกความปรุงความแต่งถูกกิเลสย่มยีมันได้รับความทุกข์ขึ้นมาเป็นขันธ์มานขันธ์นี่เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยเสร็จแล้วมันก็ตายมันก็ดับเรียกว่ามัดจุมารเพลิดเพลินพอใจอย่างแสนวิเศษนั่นแหละถึงจุดหนึ่งก็ดับวันนี้พูดแต่เรื่องมาร เพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนานะรู้ลงปัจจุบันไปจิตไหลไปในความคิดรู้ทันเราจะไม่ถูกอภิสังขารมานครอบงำจิตหลงไปแล้วช่วยไม่ได้หลงไปแล้วไหลไปแล้วเพลิดเพลินพอใจขึ้นมามีสติรู้ทันความเพลิดเพลินพอใจเราจะไม่ถูกกิเลสมารครอบงำนะถ้าจิตไม่ถูกกิเลสมารครอบงำจิตเป็นอิสระขึ้นมา เทวะปุดตมานไม่ครอบงำจิตเราไม่ใช่มารและจิตเราเองแหละมารไม่ต้องไปโทษมารที่อื่นหรอกนะ <c oughs> เราชอบโทษคนอื่นเป็นมารตัวเองแหละมารเคยได้ยินไหมฝ่ายมหายานเคอสอนทางเซนนะ์มารกับพุทธนะพวกเดียวกันมารทั้งหลายนะนะคือพุทธนะใจหนีไปคิดทราบไหม ให้รู้ทันนะรู้ลงปัจจุบันทีลนท่ลักษณะที่ลักษณะรู้เท่าที่เขาเป็นไม่ต้องไปบังคับเขานะเนี่ยแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมเนี่ยรู้ลงไปอย่างนี้เรื่อยเรู้เล่นเล่นไม่ตั้งใจนี่ตอนนี้ตั้งใจเยอะไปอัดเอาไว้แล้วรู้สึกไหมกนะารที่เราอัดไว้เนี่ยมันทําด้วยโลภะอยากดีกนะ็ไปอัดเอไว้แอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมรู้สึกไหมมันเหมือนใจมันยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมา ใจนิ่งๆไปแล้วรู้สึกไหมให้รู้ลงไปนะรู้ไปซื่อๆรู้ลงปัจจุบันไปไม่ต้องเอาดีก็ได้ไม่ต้องสุกก็ได้นะอะไรก็ได้เราเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเนี่ยเพียงเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจว่าเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เรียน รู้กายรู้ใจเพื่อจะให้กายมีความสุขเพื่อให้จิตใจมีความสุขความสงบความดีเราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกกายนี้เป็นสิ่งที่จิตมาอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวภาวนาแล้วมันจะเห็นนะจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรามันทํางานของมันได้เองมันปรุงดีมันปรุงร้ายมันปรุงสุขมันปรุงทุกข์ทั้งวันทั้งคืนมันเป็นของมันเองมันไม่ใช่ตัวเรา เราจะเรียนจกนกระทั่งใจนี้ยอมรับความจริงตัวเราไม่มีถ้ามาเรียนกับหลวงพ่อช่วงหนึ่งเวลารู้กายรู้ใจนะบางคนรู้สึกหวงโวงบางคนรู้สึกโวงเวงคือมันจะรู้สึกว่าตัวเราหายไปบางคนรู้สึกน่ากลัวตัวเราหายไปแล้วน่ากลัวเคยมีตัวเราแล้วอบอุ่นใจตัวเราหายไปแล้วกลัวบางคนเบื่อเพราะตัวเราหายไป เนี่ยเราภาวนาจนกระทั่งเราเห็นตัวเราหายไปนะแรกๆจิตใจก็เพี้ยนๆอย่างที่ว่าเนี้แต่พอเราเห็นมากเข้ามากเข้าด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางนะต่อไปจิตมันยอมรับความจริงว่าตัวเราไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีเนี่ยร่างกายมันทุกข์นะมันเรื่องของกายจิตใจมันคิดนึกปรุงแต่งมันเรื่องของจิตใจมันไม่ใช่เรื่องของเราอีกต่อไปแล้วพอตัวเราไม่มีก็ไม่มีที่ตั้งของความทุกข์ คนอื่นเป็นทุกข์เราไม่ค่อยเดือดร้อนรู้สึกไหมในเฉพาะคนที่เราไม่รู้จักนะเราไม่ค่อยเดือดร้อนอย่างบางคนเดินเดินไปเหยียบเปลือกกล้วยไงายหลังโครมลงไปเราขำด้วยซ้ำไปรู้สึกไหม <c oughs> เราขำบความทุกข์ของคนอื่นได้แต่ถ้าเราเดินไปเหยียบเปลือกกล้วยหลนแผลลงไปถึงยังไม่เจ็บเลยแต่อายใช่ไม้มเราทุกคนหัวเราะ อ, อีกอรู้สึกไงเนี่ยถ้าอะไรที่มันเป็นตัวเรานะมันก็ทุกข์เยอะ ถ้าอะไรที่ไม่ใช่ตัวเรานะมันขำนะหลวงพ่อจะบอกให้เราภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะพอเราหูตึงแนละ้วเราขำนะเออมันแก่แเราไม้ม <c oughs> พอเราตาเราเริ่มมัวมัวมองอะไรไม่ค่อยชัดนะตาสองข้างก็เห็นชัดไม่เท่ากันนะเ อ, อมันเริ่มขำขำอีกเออมันเริ่มแก่กแล้วเห็นความเหี่ยวความย่นนะตีนกาแรกๆก็ตีนกานะแต่อมาตีนวัวตีนไกว์นะ มันไม่ได้ทุกข์ร้อนนะอถ้ามันเห็นความจริงของชีวิตนะรู้สึกโอ้ภูมิใจได้อยู่มาจนแก่เลยอีกพวกที่หัวละขี้ขี้คักคักคะมึงจะอยู่ได้ป่านนี้หรือเปล่ายังไม่แน่นะชีวิตมันมีแต่ความสุขนะกระทั่งมันแก่มันก็มีความสุขนะมันไม่สบายก็สุขนะจิตใจนี่มันหมุนจี๋ๆเลยด้วยสติด้วยปัญญารอบตัวเลยนะเหมือนกับว่านักรบผู้เท่านะ เคยผ่านสมรภูมิมาหนักหนาสาหัสแล้วอยู่มาอยู่มานี่ไม่มีใครมาลบด้วยเลยพอจนแก่ๆ แ, แล้วได้ทําสงครามใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะมันคึกคักนะตาแววเลยคึกคักห้าวหานทําสงครามครั้งใหญ่ครั้งแรกนะคือตอนข้ามพบคํามชาติตอนที่บรรลุสอุปาที่เสสนิพนานทําสงครามก็ใหญ่ครั้งสุดท้ายนะตอนที่จะเข้าสู่อนุ ป, ปาที่เสสนิพนาน ตอนที่ธาตุขันจะแตกผ่านสงครามใหญ่ครั้งแรกมาแล้วเนี่ยมันรู้มัรู้เป็นพระรหันนะช่วงนั้นมันเหมือนเราทําสงครามใหญ่เสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่มีสงครามใหญ่อีกแล้วมีแต่สงครามกระจกงอกง้อยในตอนที่จะถึงความตายมาถึงเนี่ยจิตใจจะคึ ก, ค, ก, ค, กคักขึ้นมาอีกรอบหนึ่งสนุกเคยอ่านพระไตรปิฎกไหมพระพุทธพระ อ, อนนทนะ์ถามพระพุทธเจ้าวันนี้ทําไมพระองค์ผ่องใสนะัก วันที่ท่านจะนิพพานอ่ะทำไมพระองค์ผ่องใสเหลือเกินท่านบอกท่านผ่องใสสุดๆเนี่ยนะตอนที่จะบรรลุพระอรหันต์ทีหนึ่งนะตอนนี้อีกทีหนึ่งนะเพราะอะไรเพราะว่านักรบคนนี้กำลังเข้าสงครามใหญ่อยู่นะสงครามกระจอกงอกง่อยไายวันนี้นะเฉยๆเฉยๆไม่เห็นน่าสนใจเลยนะเราต้องสู้นะต้องฝึกของเรานะเราจะต้องทำสงครามใหญ่อีกสองรอบ แต่ถ้าผ่านรอบแรกแล้วรอบหลังมันสู้เองนะมันสู้เองใจมันจะคึกคักขึ้นมาบางคนน่าสงสัยทำไมหลวงพ่อเทศอะไรเยอะแยะไปหมดนะเทศใส่สีเดียไว้ให้ฟังหรอกไม่มีใครเขาสอนกันหรอกต้องไปรูปคลำเอาเองแสนสาหัสนะรูปคลากันเ อ, เองอแสนสาหัสไม่แกลงจริงๆคลาไปไม่ไหวหรอกฟังๆเอาไว้ หลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านก็ทิ้งร่องรอยไว้ให้หลวงพ่อนะนี่หลวงพ่อภาวนาครั้งสุดท้ายที่เจอหลวงปู่ดูลย์สามสิวันก่อนท่านมารณะภาพไปหาท่านตั้งแต่ห้าโมงเย็นนั่งคุยกับท่านไปเรื่อยตั้งแต่เย็นตั้งแต่บ่ายตั้งแต่บ่ายบ่ายหโมงเย็นท่านไปฉันไปส่งน้ํากลับมาแล้วมาคุยกับท่านต่อท่านก็สอนอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะที่เราฟังไม่รู้เรื่องอนะ่ะ เรื่องตั้งแต่สัตว์แรกเกิดเป็นยังไงนะชีวิตจิตวิญญาณเกิดไม่ได้ไงไม่รู้ท่านสอนทําไมก็ไม่รู้นะนึกประโยชน์อะไรไม่ออกเลยสอนตั้งมากมายเงินทุ่มหนึ่งท่านหอบเลยหอบแคกแคกแครบอกหลวงปู่ผมจะกลับแล้วหลวงปู่เหนื่อยเต็มทีล๋ล้บอกจะกลับเหรอยังกลับไม่ได้นะจําไว้นะพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหม ไม่เข้าใจครับแต่จะจาไว้จาไว้นะจำไว้นะนะนะชับอย่างนี้นะจำไว้นะถ้าเราไม่เคยได้ยินคำนี้เวลาเราภาวนาจนเราเข้ามาถึงจิตผู้รู้นะเราจะเพลิดเพลินพอใจจิตผู้รู้นี้เหมือนไม่มีอะไรแพรผ่านได้อีกต่อไปแล้วจิตผู้รู้เหมือนที่ฝากเป็นฝากตายของเราได้แล้วจิตผู้รู้เหมือนที่ที่สิ้นสุดแห่งทุกข์แล้ว ท่านบอกให้ทำลายดูสิทำลายของที่ดีที่สุดในสังสรารวัตที่เคยพบเคยเจอมันทำลายง่ายซะที่ไหนอ่ะมันทำลายของวิเศษนะเหมือนภาคเพียนบําเพ็ญตบะจนได้ของวิเศษมาชิ้นหนึ่งแล้วบอกให้กว้างทิ้งอ่ะถ้าไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังนะยากายากงั้นฟังฟังไว้นะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างไม่เป็นไรหรอกวันหนึ่งก็รู้หลวงพ่อไม่อยากให้พวกเราเสียเวลาเหมือนหลวงพ่อ รูปๆคลําลำนะกว่าจะเข้าใจสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างยากเย็นแสนเข็ญเลยนะลองผิดลองถูกอยู่งนั้นเลยเหนื่อยแสนสาหัสเลยจริงๆแล้วสิ่งที่พระเจ้าสอนง่ายถ้าเข้าใจนะเข้าใจแก่นมันนิดเดียวนะคลิกนิดเดียวนะปรับมุมมองนิดเดียวนะทุกอย่างยังง่ายมันะเหมือนธรรมะอยู่ในกํา ม, มือเลยธรรมะอยู่ในกํา ม, มือจริงๆนะคือใบไม้หนึ่งกำ ม, มือนั่นแหละไม่ใช่เยอะแยๆอะไรเอาไ ป, เ, าไปเชิญทานข้าวไปนิมนต์ครับ วันนี้ทำไมเทศตลาดเนยไม่รู้เทศให้ใครฟัง <laughs> <laughs> พ่อเทศตามคนฟังนะ <laughs>